เพศของพระเราเป็นเพศที่สุขขุมคัมภีรภาพเป็นเพศที่พินิจพิจรารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนมีความพินิจพิจรารณามีสติประจำตัวอยู่ทุกอิริยาบถ เก็บความรู้สึกได้ดีอดทนต่อความภาคยันของตนนี่แหละที่สำคัญเกี่ยวกับเพศของพระเรา <c oughs> <c oughs> การอยู่ <c oughs> การกินก <c oughs> ารหลับ <c oughs> การนอน <c oughs> ไม่ถือมาเป็นภาระ <c oughs> เครื่องกลงกังวลใจ อยู่ไปพอได้อาศัยเท่านั้นกินไปพอได้อาศัยใช้สอยสิ่งต่างๆพอได้อาศัย <c oughs> เพราะอันนี้เป็นสมบัติของโลกเพียงอาศัยเขาเท่านั้นจะนำสิ่งเหล่านี้มา เป็นอารมณ์ห่วงใยเกี่ยวพันกันอย่างนี้เป็นความผิดทางด้านธรรมะสำหรับผู้มุ่งหวังต่อแด น, นพ้นทุกต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดโดยสิ้นเชิงในความรู้สึกของเราแม้จะตัดไม่ได้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะตัดอยู่ตลอดเวลาไม่อ่อนข้อ นี่เรียกว่าผู้มีความเพียรประจำตนคือสติตั้งให้ดีจะคิดอา่านแล้วเคลื่อนไหวไปมาทางไหนสติกับจิตที่เคยรักษากันอย่างไรอย่าปล่อยอย่าวางถือเป็นภาระหน้าที่ของเราโดยตรง เพราะพระมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบและแยบคลายของใจโดยลำดับเท่านั้นสิ่งอื่นเป็นเพียงอาศัยไม่ถือว่าเป็นความจําเป็นและสำคัญอะไรอยู่ไปอยู่ไปอาศัยโลกสงสารวสมบัติของโลกเขาไปอย่างนั้นแหละแต่สมบัติภายในคือธรรม ทีถืออย่างเข้มมวดกวดขันสำหรับตัวของเราแต่ละรายละลายมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอด <c oughs> เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่ น, นตลอดมาตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วว่าสวาขาตธรรม คือตัดไว้ตัดไว้ชอบทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วมีแต่ผู้ปฏิบัติตามจะยึดมาปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรผลจะปรากฏตามความค้นายและการบำเพ็ญของตนถ้าเรามีความสามารถทางด้านความภาคเพียรสติปัญญาเฉลียวฉลาด ความเพียรเข้มแข็งมีความอดความทนเท่าไหร่แล้วมรรคผลจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ <c oughs> คำว่ามรรคผลจะไม่ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศสิ่งภายนอกใดใดเลยจะขึ้นอยู่กับ ความเพียรของเรามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญที่รองรับความเพียรได้โดยถูกต้องได้แก่สติให้มีสติความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เราพิจารณารมขั้นใดสติจะเป็นพื้นฐานตลอดเล ย, ยเช่นคำบริกรรม เพื่อความสงบใจสําหรับผู้ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์สตินี้ยิ่งเข้มแข็งตั้งมั่นจริงๆต่อบทธรรมของตนดังที่เคยอธิบายมาแล้วเมื่อคืนนี้ <c oughs> สติเป็นสำคัญมากทีเดียว <c oughs> เรื่องปัญญานั้นออกเป็นบางระยะระยะบางการกับเหตุการณ์ต่างๆ <c oughs> ชวนสตินี้ต้องวางไว้เป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าความเพียรการขบการฉันให้พึงสังเกตตัวเองอย่าแสกจักแต่ว่าขบฉันไปอาหารประเภทใดก็ฉันไปว่าถูกปากถูกท้องถูกท่าถูกขันก็ฉันไปแต่มันไม่ถูกทามันก็เป็นภายต่อจิใจ ดังนั้นท่านจึงเรียกว่าอาหารรสปายะ <c oughs> อาหารเป็นที่สบายสำหรับผู้บำเพ็ญภาวนานั้นต้องเป็นอาหารที่ไม่ส่งเสริมกิเลสเป็นอาหารที่ <c oughs> สะดวกสบายในธาตุขันแต่ไม่ยังธาตุขันให้เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะการขันไม่รู้จักประมาณ และไม่รู้อาหารประเภทใดบ้างที่จะเป็นภัยต่อจิตใจแม้จะเป็นคุณต่อร่างกายมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความหมายอะไรสําคัญที่ชั้นลงไปแล้ว <c oughs> จิตใจไม่กําเริบไม่เป็นค่าสืกกับจิตใจนั่นเรียกว่าอาหารสปายะอาหารเป็นที่สะดวกสบาย ธาตุขันก็ไม่บีบบังคับด้วยความมีกำลังจากอาหารที่ฉันลงไปจนถึงกับให้เกิดกิเลสราคะตันหาขึ้นมาแม้ภายในใจยิบแยบยิบแ บ, บเท่านั้นเราก็พอทราบได้ว่าจากธาตุจากขันที่มีกำลังมากขึ้ น, นไปแล้วมันจะสอกิเลสประเภทนี้ขึ้นทำลายตัวเรา ก็ให้พึงระมัดระวังจะเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ดูแก่กินให้เห็นแก่ธรรมฐานลงไปต้องเล่งถึงธรรมเสมอการนอนมากนอนน้อยก็เล่งถึงธรรมเสมอ <c oughs> ชาคดียานุโยกการประกอบความเพียรให้เหมาะสมเรียกว่าไม่ผิดพลาดเ น, น่ยวะ อปนันกะพติปทาคือการประกอบความภาคเปลียนไม่ผิดเราก็ต้องรู้เวลเวาในการงานคี่ความเปลี่ยนของเราการนอนมากเป็นอย่างไรการนอนน้อยเป็นอย่างไรคอยสังเกตเสมออถ้านอนมากมันไปหนักทางใด ธาตุขันมีกําลังอีกนะทางด้านจิตใจก็อ่อนลงการนอนน้อยธาตุขันถึงจะไม่ค่อยมีกําลังแต่เสริมจิตใจให้มีสติสตางรีขึ้ น, นเราก็ให้สังเกตการขบฉันฉันมากฉันน้อยนี่พอทราบได้ชัดเจนส่วนมากการฉันมากไม่ไดี สำหรับ้ า, ารส่งเสริมพิเรศได้ทันทีแต่การฉันน้อยนั้นเป็นความสะดวกสำหรับความภาคยรนของเราสติก็ดีแยกออกทางด้านปัญญาก็ดีแม้คำบริกรรมของเราสติกับคำบริกรรมก็ติดกันแนบสนิท ด, ดีนี่เรียกว่า <c oughs> เราสังเกต การประกอบความภาคเยันของเรานอนมากเป็นยังไงนอนน้อยเป็นยังไงฉันมากฉันน้อยเป็นอย่างไรให้สังเกตเพราะเราจะเอาจุดสำคัญอันเดียวคือเรื่องของใจนี่เท่านั้นถ้าเราทำอะไรลงไปมันขัดกับใจก็ให้พึงทราบว่าสิ่งนั้นไม่ควรส่งเสริมต่อไปให้งดมัน เช่นนอนมากมันทำให้เกิดกิเลสตัญหาประเภทต่างๆขึ้นมาสติสตางไม่ดีลดการนอนลงอย่างนี้จึงเรียกว่าการประกอบความเพียรด้วยความมีสติระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาผลจะพึงทราบขึ้นเป็นลำดับสำหรับผู้มีสติกำหนดที่จะนาตัวเอง ท่านแสดงไว้ในทุโลง1ิสาก็คือเพื่อนำมาดัดจลิตนิสัยของตนนั่นแหละในธรรม13สามข้อทุโลง13สามข้อนั้นข้อใดที่เหมาะสมกับเราส่วนมากก็เหมาะสมทั้งนั้นแหละแต่นี้เนสัชชินี้เหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างนะการ อดนอนเราทำความภาเปียนด้วยอิริยาบถสามคือมีการยืนการเดินการนั่งแต่ไม่นอนกำหนดกี่คืนกี่วันให้สังเกตตัวเองแล้วถ้าหากว่าถูกทางเนสัจิคือการอดนอนเราก็จะสราบจากผลแห่งความเพียนของเราว่าสติก็ดีขึ้น ใจก็สงบมากขึ้นแล้วไม่ค่อยวอกแวกคอนแคนพอสะดวกสบายเราอดไปหลายวันเท่าไหร่สติยิ่งดีปัญญาออกทางด้านปัญญาก็มีความฉลาดแหลมคมและคร่องตัวนี่เรียกว่าถูกไม่ใช่ว่าทุดงแล้วเอามามัดติดคอเอาเลยโดยไม่คำหนึ่ง อย่างนี้ไม่ใช่คนใช้สติปัญญาต้องนำมาใช้สติปัญญาพระองค์วางไว้เป็นกลางๆางในทุดงเหล่านี้วางไว้เป็นกลางๆางส่วนที่เราจะปฏิบัติประจำตัวของเราในทุดงเหล่านั้นเราก็ปฏิบัติมาอยู่แล้วเช่นชันมือเดียวอย่างนี้หรืออยู่ป่า เป็นวัดอยู่ป่าชาเป็นการเป็นเวลาลวก็เคยปฏิบัติมาอยู่แล้วอันนี้ก็เพื่อความสะดวกในการประกอบความภาคยันของเรานั่นแหละ <c oughs> ไม่ใช่เพื่ออะไรเป็นฉันมือเดียวอย่างนี้ไม่กังวลกับการฉัน จ, จีบจีแจบแฉันมือเดียวอย่างสังเกตอีกว่าฉันมากหรือฉันน้อยต้องพิจารณาอีกทีเนึง นี่เป็นความการกรองของเราที่จะให้ได้เหตุผลจากความเพียรของตน <c oughs> สำหรับการอยู่ป่านั้นเหมาะสมแล้วทุดงข้ออยู่ป่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับผู้บาเพ็ญเพียรอยู่ที่ไหนไม่เหมาะสมกับการอยู่ปา่าหรืออยู่ป่าช้าตามนิสัยที่ ผ ล, ลิตมันถูกกันเราก็อยู่เป็นการเป็นเวลาแล้วนี้มีแต่เรื่อง <c oughs> มีแต่เครื่องบังคับชำละอิจใจคือกิเลที่อยู่ภายในใจนั้นให้เบาบางรและหมดสิ้นไปทั้งนั้นธ <c oughs> ุโดงคำว่าของพระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นกลางๆเรานำมา <c oughs> ปฏิบัติไนดะ้ที่คอืร และสังเกตตัวเองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทุดงเหล่านี้นี่เรียกว่าผู้มีความเพียรอันชอบทำหรืออปันนักะปฏิปถาการปฏิบัติไม่ผิดต้องสังเกตตนเสมอ <c oughs> สำหรับพระของเราที่ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆและอัธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้ว <c oughs> ถ้าเรามีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวตามตำรับตาราที่เราได้เห็นมาด้วยกัน <c oughs> มีตั้งแต่การทำระกิเลสด้วยการภาวนาทั้งนั้นไม่เลยมีจิตการบ้านเรือนแบบโลกโลกเขาเข้ามาเครือบมาแฝงพอให้งานภายในจิตใจของเราเป็นตังบลและหน้าช้าต่อไป มีความมุ่งมั่นอยู่กับความภาคเพียร น, นี่แหละเรียกว่างานของพระแท้คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะเป็นท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่าใดมีแต่เป็นท่าความเพียรชําระกิเลสภายในใจของตนนี่เรียกว่างานของพระ ในครั้งพุทธการท่านมีเป็นแบบเป็นฉบับมาอย่างนั้น <c oughs> การพูดการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโลกสงสานี่ไม่มีมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรมการจเจริญจิตตะภาวานาด้วนๆออกจากสถานที่ต่างๆมาเช่นในป่าในเขาหรือในถ้ามาสนทนาธรรมา ก, กันนี่มีแต่เรื่องของอัดของธรทำร้วน ไม่มีเรื่องจิริชาวิชาเรื่องโลกเรื่องสงสารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่กฎหรือระเบียบประเพณีของพระพุทธเจา้าที่พาดำเนินสำหรับสัตว์บรรบันดา <c oughs> พุทธบุญษัตว์ที่มุ่งต่ออาตต่อธรรมจริงๆก็ให้ยึดธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติต่อตอนเองเพราะที่เราเป็นพระนี้ เหมาะสมแล้วกับงานดังที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนอย่าเอาความสะบะสะดวกสบายทางร่างกายเข้ามากีขวางทางสะดวกของธรรมคือใจเรื่องร่างกายมันหาแต่ความสะดวกอยู่ตลอดเวลานั่นนะอยู่ดีกินดีนอนดีใช้อะไรพุ้งเฟอเหอ่อเหิม แบบไม่มีทรัพย์สินตังนี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกของสารทั้งนั้นพระของเรายึงต้องต่างกันการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้สอยก็เป็นแบบของพระเป็นผู้มีงานน้อยไม่ใช่มีงานมากเหมือนงานของโลกเขาแต่ไปมากอยู่ที่ความภาคเพียรจาระจิตใจ นี่เรียกว่าการปฏิบัติถูกต้องสติอย่าปล่อยวางอันนี้เป็นพื้นฐานของธรรมตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งธรรมะอันสุดยอดสตินี่มีความจำเป็นตลอดไปทุกขั้นทุกภูมิของการบำเพ็ญให้มีสติสตางตั้งให้ดีถ้าไม่สงบก็ให้ปฏิบัติ ดังที่อธิบายให้ฟังแล้วเมื่อคืนนี้ตั้งเป็นความเอาจริงเอาจังแล้วอย่าเลาะแหละกับความภาพเพียนของเราซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสถ้าทำลงไปวันหนึ่งสองวันว่าดีต่อไปอ่อนแอทอดแ้เหลวไหลไปเสียนี่คือกิเลสเขาเหยียบย่ำทำลายแล้วถ้าเป็นธรรมดำเนินตามธรรมแล้วต้องตั้ง ความภาคเพียนด้วยความมีสติอยู่ตลอดเวลานี่คือความถูกต้องเผลอไปก็ให้ทราบว่านี่ความเผลอนี้ไม่ดีเราเผลอแล้วเรียกว่าปล่อยช่องให้กิเลสแล้วความเผลอไม่มี ส, สติตตั้งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเรื่องใดเป็นเรื่องของกิเลสเข้า ทำลายความภาคเพลี่ยของเราให้พลังเผลอไปจนได้นี่ให้ตั้งตลอดเวลาจิตใจให้มีเข้มข้นต่ออัดต่อรรมต่อแดนแห่งมรรคนิพพานอยู่เสมออย่าตื่จาง응เรื่องโลกเรื่องรงสารอย่านำเข้ามายุ่งขัวนใจโลกเขาอยู่เป็นโลกเราก็เคยเป็นโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กมา เป็นค า, ารวะมาจนกระทั่งแล้มาบวชเป็นพระเขากับเราก็เหมือนเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรแตกต่าง ก, กันเวลานี้เรามาบวชเป็นพระแล้วเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่และความรู้สึกภายในใจของเราเป็นอัดเป็นธรรมไปร้่นรุนอย่าให้มีความชินชากับโลกพอที่จะนานิสัยของโลกมาอ่านใจจอง แล้วพูดคุยกันเรื่องโลกโล่งสงสารไม่ถูกต้องกับทางเดินของพระเราเลยให้ป่ากันระมัดระวังพระท่านออกมาจากป่าจากเขามาสนทนาธรรมกันท่านมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรร้อนร้วนมาสนทนาเป็นคติต่อกันและกันได้เป็นอย่างดีนี่ท่านว่า กาเลนะธรรมสากัะฉาสนตนาอัตธรรมไปตามการตามสมัยเวลาที่เข้ามาพบกันสนตนาธรรมะ ก, กันต่างคนได้คติอันดีจากกันและกันไปเรื่อยๆจนไม่มีในครั้งพุทธกาลที่จะพูดถึงเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขาย เรื่องราฐการงานเมืองเรื่องหญิงเรื่องชายท่านไม่มี ม, มีแต่เรื่องทำรากขี้เหรออกจากจิตใจด้วยความเพียรที่มีสติประจำอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น <c oughs> นี่ทางเดินของผู้ที่จะครองมรรคครองผลท่านเดินอย่างนี้เราอยาะเร า, เราละและแะเอเวลานี้ศาสนาเป็นความเคยชินของขิเหรจน หนาหน้าน า, นาตาแม้ตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าทำตัวเช่นนั้นเป็นจริตมามากมายแล้วเวลานี้พระเหล่านั้นแหละมันใจใครแหละเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่สุดเอื้อสุดวิสัยไปแล้วที่เป็นวิสัยอยู่ก็คือครา่คราค้ากันอยู่กับเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องความชิดความสนใจการพูดการตา เรื่อดงานการบางอย่างก็กลายเป็นเรื่องงานของโลกของสงสารไปเสีย <c oughs> งานของพระเลยไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องมรรคเรื่องผลก็ยิ่งห่างไปทุกวันทุกวันสุดท้ายก็คว้าน้าเหลวเพราะเจ้าของข่อยคว้าในทางที่ผิดแล้วก็เหลวไหลไปทุกวันทุกวันเหล่านี้ให้พากันพิจารณาให้มาก รมของพระพุทธเจา้ามักผลนิพพานนั้นประหนึ่งเอื้อมมือคอยจับเราฉุดจับเราฉุดลากขึ้นจากลมลึกอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นผู้มีสติระลึกรู้กับทมของตนที่กำลังบาเพ็ญอยู่อย่าให้เผลอนี่เท่ากับเราวไอ้ทำนี่แหละมาฉุดมารากเราขึ้นไปทมและวิ่ัยนี่เท่านั้น ที่เป็นองค์แทนศาสด า, จ, าดจะถูจะรากเราให้หลุดพ้นจากทุกได้ไม่สงสัยในธรรมทั้งหลายที่เป็นองค์แทนศาสดาขอให้เชื่อศาสดาโดยการเชื่อและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี้เท่ากับเดิมตามรอยพระบาทของพระบุตรเจ้าอยู่ตลอดเวลา การปรินิพานของวู้ดเจ้านั้นมันเป็นเรื่องของชาติของขันเขาตายได้เราตายได้แปรสภาพไปต่างๆได้ทั่วโลกยินแรนหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกสมมุติโลกอนนี้จังทุกขังอาตาจึงแสดงตัวอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านตลอดเวลาเรา่านำเข้ามา ชิดให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายว่าสิ่ง น, นั้นเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นสาระเลยในโลกนี้ <c oughs> มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เป็นสาระสําหรับผู้ทางหน้าต่างตาปฏิบัติต่อธรรมให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมรรคผนิพพานให้เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑเป็นศาสดายิ่งกว่าเอาสิ่งอื่นใดมาเป็นศาสตา เลี้ยยึดเกาะตามหลักธรรมหลักวินัยนั้นให้ดีเช่นพระวินัยอย่าล่วงเกินเป็นอันขาดเป็นความเสียหายมากทำลายตัวเองด้วยไม่มีหี้ยอตตรปะปภายในใจคนนี้ทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้มรกได้ผลเพราะคนดื้อด้านต่อองค์ศาสล า, ศ า, ศาซึ่งเป็นผู้ชี้แนวทางให้ถูกต้อง เรื่องพวินัยเป็นรู้วกันการประพฤติดำเนินของเรามาให้พองไม่ผิดจากร่องรอยคือทางเดินซึ่งได้แก่ทาไปพวินัยคือรู้วอย่าคิดอยาสา ย, ยาแสออกไปท่านเรียกว่าพวินัยเครื่องกําจัดความชั่วนั่นแหละให้พากันเคารพให้มาก พรนี้สำคัญมากนะเราไปอยู่ในสถานที่ใดกาตาม <c oughs> เรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเรามีความอบอุ่นภายในตัวของเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวก็ไม่กลัวเป็นตายก็อบอุ่นอยู่ภายในใจแม้จะตายเราก็ไปในทางที่ถูกที่ดีมันหากมีความอบอุ่นอยู่ภายในใจนั่นแหละคนมีพระยินไย สมบูรณ์ไม่ด่างพร้อยเรียกว่ามีศีลสมบูรณ์อันนี้ให้เป็นพื้นฐานอย่าพากันข้าเปินไปดันขาดอันนี้แหละรั่วกลั้งพอข้ามันเลี้ไปปั๊บก็ออกนอกรูนอกทางนี่แหลมันเอาไปกินหวานปากหวานขอหมดนั่นแหละไม่มีอะไรเหลือผู้ที่อยู่ในกรอบของธรรมของพระมีไหนเนี่ยสําคัญมาก อยู่ในรั้วของภินันแล้ววิเศษเอาไปกินง่ายง่ายไม่ได้ต้องระวังนเมื่อวินัยเราดีแล้วทำที่นี่ที่เราจะตักทวงเอามากเอาผลด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราก็เน้นหนักตลอดเวลาการอยู่การกินทุกอย่างไม่เป็นอารมณ์มีตั้งแต่ ร ะ, ะมัดระวังจิตของเราบกพร่องที่ตรงไหนทุ ก, ก็ให้ถูกด้วยการต่อสู้กับยิเลสตัวมันผ่าโนโผลนโจรสะ ย, ยานลากถูจิใตใจของเราออกไปชิดในแง่ต่างๆทั่วโลกดินแดนมัมีิบันอิ่มพอนี่คือยิเลสมันมีแต่ความหิวความหัวอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟัง อยากทดลองเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือเรื่องของกิเลสอย่าเสียรายความคิดเหล่านี้มันเคยหลอกลวงโลกต้มโุนโลกให้รับความทุกข์มานานแล้วไม่มีอันอะไรที่จะหักห้ามกิเลสได้เหมือนธรรมธรรมนี้หักห้ามกิเลสได้เช่นมันอยากดูไม่ยอมดูมันอยากฟังไม่ยอมฟังในสิ่งที่เป็นภยัยจอดรำอยาก รู้อยากดูอยากเห็นอยากชิดไม่ยอมให้ชิดต้องฝืนกันตลอดเวลานี่จึงเรียกว่ารบกันกับกิเลสกิเลสนี่ตัวคล่องแฉ่วว่องไวไหลไปเลยตลอดเวลาเพราะมันเคยคลองหัวใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมันจึงคล่องตัวเราจะ น้อมจิตเข้าสู่ธรรมที่ถุดลากออกไปแล้วออกไปแล้วตามอารมณ์ที่เคยคิดจนคล่องตัวนั่นแหละแต่มันไม่อิ่มพอไม่เฉดไม่หลกักในอารมณ์ที่เคยดัดต้านรานตัวเองเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็มาดัดต้านรานเราให้เกิดความทุกข์ความลำบากภายในใจิตใจจิตใจก็สมองภาวนาหาความสงบไม่ได้นี่คืออารมณ์กวนใจ ให้พากันพปนีพิจารณาให้ดี <c oughs> ไปที่ไหนให้มีสติสตังแลวเรื่องมรรคผลนิพพานเราจะไปถามการนั้นการนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้ถามอยู่หัวใจของเราเนี่ยมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่นี่มีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องประการมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจของเรานี่ขนา ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาที่น่นที่นี่มาเป็นเครื่องประกันแม้ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าก็สอนเพื่อความไม่เผลอตัวนั่นแหละอยู่ในปา่าอารมณ์มีน้อยไม่มีสิ่งก่อควรรักษาจิตใจได้ง่ายท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาซึ่งเป็นสถานที่โลกเขาไม่ต้องตามแต่ทำนั้นเหมาะสมมากสําหรับผู้บำเพ็ญ ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาเช่นลูกขมเูเรเสนาสลังเป็นต้นเนี่ยเราก็ทราบด้วยกันทุกคนสถานที่นี้เป็นสถานที่กิเลสไม่ต้องการกิเลสไม่ชอบทีนี้เราผู้เป็นนักบกับกิเลสเราต้องชอบเราต้องอยู่เราต้องสอแสแงหาประกอบความภาคเพียรกับสถานที่เช่นนั้นตลอดไปนั่นนี่แหละ เมื่อเราอยู่ไปนานการประกอบความเพียรก็สะดวกไปตลอดแล้วจิตใจเมื่อรับการบำรุงส่งเสริมด้วยความภาคความเพียรแล้วมีสติเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็จะเป็นความสงบภายในใจลงไปเวลาจิตอยากคิดอยากพุมเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสให้ฝืนทันทีอย่าคล้อยต า, ามเป็นอันขาดการคล้อยตามกิเลส ก็เท่ากับกุ้มหัวลงให้มันสับเอานั่นเองแต่เป็นอะไรไปไม่ยอมกุ้มหัวลงต้องสู้กันเสมอนี่จึงเรียกว่ารบ ก, กับกิเลสถ้าเราคล้อยตามกิเลสไม่เรียกว่ารบ ก, กันยอมมันตลอดวาอย่างนั้นต้องสู้ต้องรบ ก, กันมรรคผลนิพพานที่เราจะได้จากการฝืนกิเลส การต่อสู้กับวิเดษแม้จะทุกข์มากขนาดไหนก็ตามก็คุ้มค่ากันกับมรรคผลนิพพานที่เราได้ขึ้นมาจากการต่อสู้กับวิเดษแบบทารโหตกดทนนี่ให้ชิดถึงอย่างนี้นะความทุกข์ในการต่อสู้กับวิเดษมันก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาแต่ต่อสู้เพื่อชัยชนะการได้ชัยชนะ กับกิเลสมาเป็นลําดับลดาดาเราก็มีต้นทุนขึ้นเป็นลําดับลําดาเช่นเดียวกันอ่ากิเลสประเภทนี้มันหนาแน่พาดกันลงอย่างหนักมือกิเลสนี้ขนาดไหนความเพียรของเราให้กะพอดีกันพอดีกันมันหากรู้เองนั่นแหละสําหรับผู้ประกอบความภาคเพียรควรจะหนักจะเบาหรือวักใดตอนใดที่จะเน้นหนัก ถึงขนาดเอาเป็นเอาตายต่อกันมันหากรู้ในนิสัยสัญดาลของตัวเองผู้ประกอบความภาคเพียรนั่นแหละเราจะทำเราหรอแหละมันจะไม่เด้เรื่องได้หรือล้วนะมักโภนิพานก็ประกาศกังวานอยู่ในองค์แห่งธรรมของพระสี่เจ้ามาตลอดเหตุใดเราชาวพุทธบวชเข้ามาในศาสนาแต่เพราะนักบวชนี่สาคัญมากเพราะเป็นแนวหน้า ซึ่งควรต่อมักผลนิพพานอยู่แล้วแต่แล้วทำไมมันไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรก็เพราะไม่ดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เห้แม้จากออกจากอนอกรูนอกทางไปเสียผลจะพึงได้รับมันก็ไม่มแีแล้วก็อยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง และสุดท้ายก็จิต ก, ก็เอียงไปร่มลงร่มตมลงไปกับโรคเขาเสียให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายมีแต่หัวล้นโคลสีผ้าเหลืองใครโคใครเอามาครองก็ได้แต่หัวใจเ่องของมันเป็นส่วมเป็นสารให้กิเลสถ่ายขับถ่ายลงไปเป็ น, นำลำดับตำาราแล้วเกิดประโยชน์อะไรสำหรับพระเรา เราต้องมีการกระตุ้นเตือนจระของอยู่เสมอจิตใจมันจะมีแจกใจคึกคักนั่นต้องเตือนจระของอยู่เสมอเรื่องความภาคเพียนีให้ก้าวเดยใครมีความเหมาะสมกับธรรมบทใดพิจารณาวิธีการใดเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนให้ยึดหลักธรรมการพิจารณาเช่นนั้นเอาไว้ประจำใจให้หลักแน่นขึ้นทุกวันทุกวัน นี่แหละรีถูกต้องอย่าทาศัก์แต่ว่าทมเมื่อทาอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกทางถ้าถูกทางแล้วผลก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเบื้องต้นจิตสงบซะก่อนจิตเคยวุ่นวายสายแสเพราะที่ทีพี่เละกเตะไอ้มุมโรคนูนมุมโรคนี้ ไม่ว่าใกล้ว่าไกลพลักออกไปให้คิดให้ปรุงเรื่องราวผ่านไปนานเท่าไรพอระลึกได้ก็คว้าเข้ามาอุ่นกินอุ่นเผาเจ้าของนั่นแหละเรื่องราวที่เสียใจนั้นมายิ่งติดหนาใจเราถ้าเรื่องราวที่ไม่พอใจเสียใจเคียดแค้นให้ผู้ใดมักจะตสดพันกับ เรื่องราวอารมณ์เช่นนั้นเข้ามาเผาหัวใจตนซ้ำเข้าไปอีกนั่นแล้วก็ไม่มีความเฉลียลาดอิ่มพอผู้เช่นนั้นเป็นผู้ก่อไฟเผาตัวตลอดเวลาไม่มีความเฉลียลาดอิ่มพอถ้าเป็นความเฉลียลาดพอระลึกถึงเรื่องอารมณ์เก่าที่เคยเป็นข้าสึกและเป็นชุบหยาดร้อนถึงกับกจิตใจ จะเป็นฝืนเป็นไฟเมื่อเราลึกได้แล้วให้พลิกใจกลับทันทีไม่เสียดายชิดต่อไปเพราะมเท่ากับเสียดายไฟเอามาเผาเจ้าของนั่นเลยต้องปัดออกทันทีมันอยากคิดเท่าไหรก็ไม่ยอมคิดนี่เรียกว่าผืนกิเลสแล้วคิดเรื่องอื่นแทนคือเรื่องธรรมเข้ามาแทนที่แทนที่อยู่เสมอ นี่เรียกว่าการประกอบความภาคเพียนเพื่อชำระจิตใจของตนฮันเมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอจากคิดจาภาวนาใจของคนเราย่อมมีความสงบเย็นขึ้นเย็นขึ้นเพราะได้รับการบำรุงรักษาการเหลียวแลจากเจ้าของแล้วก็จะแสดงเป็นความสงบเย็นถ้าจิตใจมีความสงบเย็นอารมณ์ของเคลเล ที่เป็นพื้นเป็นไฟเคยเป็นพื้นเป็นไฟมาแต่ก่อนมันจะก็มันก็ค่อยจางลงไปจางลงไปอารมณ์แห่งความสงบเย็นใจนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยจิตจภาวนาเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาแล้วความสงบนี้ก็เชื่อมโยงเข้าไปถึงความเป็นสมาธิของใจการปฏิบัติท่าค่าความสงบทั้งเรียกสมาถะแต่จิตที่มี ความสงบหลายครั้งหลายหนเพิ่มกําลังแห่งความสงบเข้าเรื่อยๆก็เชื่อมโยงเข้าไปถึงสมาธิคือจิตตั้งมัน่นเวลาเราสงบนี้มันก็สงบนี่ที่เรียกว่าสมถะเพราะจิตถอยมาแล้วมันก็ไม่สงบเสียนะเพราะจิตนี้พยายามทําให้มีความสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไป สงบมากน้อยเพียงไรเช่นจิตของเรารวมลงไปอย่างนี้แต่ละครั้งละขามันสร้างพลังขึ้นมาภายในตัวโดยลาดับลำดาเมื่อความสงบมีมากเท่าไหรมากเท่าไรความแน่นหนามั่นคงของจิตก็จะเริ่มปรากฏขึ้นคือความสงบนี่แหละจะเริ่มแน่นหนามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้น จากนั้นใจก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิแปลว่าความตั้งมัน่นใจของเราเนี่มันตั้งมั่นอยู่ในหลักสมา ธ, าธิแห่งสมาธิเองนะเราคิดเราพุ่งเรื่องอะไรก็คิดได้อยู่แต่มองเข้ามาดูฐานของจิตอีกก็มีความแน่นหนามั่นคงตามเดิมนี่ทางเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ เนี่ยเราอบรมเพียงสมาธิเท่านี้ก็พออยู่พอรินสำหรับเราที่ก้าวเดินป็นต้นทุนแห่งทาขั้นสูงกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาดแยกขันสุพิจารณาทุกขงังอนิจังอนัตสาอสุภะอสุภังซึ่งมีอยู่เต็มนวดเต็มเต็มเนื้อเต็มตัวของทั้งเขาทั้งเรา หลายครั้งหลายหนอีกก็มีความคล่องแคล่วแคล้วกล้ากับสิ่งเหล่านี้ปัญญาก็เริ่มก้าวออกไปก้าวออกไปคำว่าปัญญากับสมาธินั้นแตกต่างกันมากนะความสุขในสมาธินี้ไม่ได้มีอะไรสำคัญนักนะถ้าได้ผ่านปัญญาเข้าไปแล้วเราจะำํำหนดสมาธิของเราโดยลำดับ นอกจากเราไม่เคยสนใจกับท้งปัญญาวิปัสสนาเลยแล้วก็มานอนตุมอยู่กับควารเป็นสมาธิสมาธิก็ดีอยู่สำหรับคนนั้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่ไม่กล้าไปถึงไหนมีแต่ความสงบเย็นสงบเย็นกำหนดให้เป็นสมาธิเท่าไหร่มันก็เป็นแค่นั้นแหละนี่อยากว่าสมาธิเต็มภูมิแล้วเหมือนน้าเต็มแก้ว เอาน้ำที่ไหนมาเทเพิ่มเขาหยิกก็ไม่เพิ่มมันน้ำเต็มขอบปากแก้วแล้วเอาน้ำที่ไหนมาเพิ่มก็ยังดูปากแก้วเท่านั้นนี่จิตที่เต็มภูมิแห่งความสงบแล้วก็เต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มแก้วให้เลยนั้นไม่เลยนี่จิตนี้มีแคนนน่นี้เรียกว่าพอในขั้นของสมาธินี่เรียกว่าพอ สมาธิเต็มตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วจากนั้นพิจิตรให้แยกออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนอย่างที่ท่านสอนว่าเจสาโลมานาขาทันตาตัโตอย่างนี้เราจะพิจารณาเป็นสมถะทำก็ได้เช่นบริกรรมเจสาหรือโลมานาขาทันตาตัโตบทใดมาเป็นบริกรรมเพื่อสมถะ ร, รมก็ได้อย่างนี้เมื่อจิต ที่ควรจะ่้ช้วิปัสสนาแล้วแยกเอาเจสารมานขคาตันตาตะโตมาลี่คล้ายกัตตาออกไปจงรทั่งเนื้อหนังร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนตับไตส้ภูมิข้างนอกข้างในมาพิณิพิจารณาโดยทางปัญญาปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมขึ้นไปเป็นอำรับและผลที่เกิดขึ้นจากการปัญญาก็คือการถอดถอนพิเร มีอุปทานเป็นสำคัญค่อยเบาลงเบาลงเรื่องของปัญญาก็จะมีความคล่องแคล่วแคล่วกล้าไปโดยลาดับในเรื่องของสมาธิก็เป็นฐานที่พักจิตไป s ะนั้นในเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเนหน็เหนื่อยเมื่อล้เราก็ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิให้พักในสมาธิเสีย พอจิออกจากสมาธิมีกำลังแล้วแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยถือชาติถือขันเป็นสาคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอย่าถือเที่ยวเป็นสาคัญ พิจารณาหลายเที่ยวหลายหนก็ว่าตัวได้พิจารณาแล้วอย่างนั้นมันเป็นเรื่องโลกไปเสียมันไม่ใช่ธรรมทางภาคปฏิบัติทางภาคปฏิบัติต้องการที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่เราพิจารณานี้จริงๆเนี่ยกี่ครั้งกี่หนพิจารณาหลายตลกทบทวนจนจิตใจมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปแล้ว มันก็อิ่มเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารนั่นแหละอาหารจะอริดอร่อยขนาดไหนเมื่อพอแก่ธาตุแก่คันแล้วจิตใจมันก็ถอนออกจากอาหารนั้นเป็นความอิ่มพอปล่อยการรับทานไปได้ทันทีนี่การพิจนารณาร่างกายเวลามันกําลังรู้กําลังเห็นในสภาวะธรรมทั้งหลายอย่านี้จิตใจก็ดูดเดือด พิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งหมุนไปหมุนไปนี่ก็เป็นขั้นเราให้พิจารณาอย่างนั้นหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งจิตใจของเรามีความอ่อนเพลียรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อละในการพิจารณาแล้วเราก็ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิเพื่อพักเอากําลังจิตเข้าสู่สมาธิเรียกว่าพักเอากําลัง ไม่ได้มาถอดถอนกิเลสตัวใดแหละเรื่องสมาธิเพียงแต่ทากิเลสให้สงบตัวเข้ามาเท่านั้นเป็นปัญญาต่างหาที่จะแก้และถอดถอนกิเลสทุกประเภทให้หลุดร้อยไปจากใจไม่ใช่สมาธินะสมาธิเป็นเพียงสงบอารมณ์สงบกิเลสเหมือนหินทับหญ้าอย่างวนะ่านะพอออกจากสมาธิคือเรา เข้าสู่ความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งใดการคิดอ่านใจฟังเรื่องสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันภายนอกภายในงดหมดเวลาเราเข้าสู่สมาธิต้องการอารมณ์อันเดียวคือเอกคตาลมซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิที่รวมอารมณ์อยู่ในจุดเดียวนี่ท่านเรียกว่าพักในสมาธิเมื่อ แล้วพักพอสมควรแล้วได้กำลังวางชาแล้วถอนจากสมาธิออกไปทนี่ก้าทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาแยกทาดแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอนาตตามีทั้งส่วนยหา่ส่วนละเอียดเต็มอยู่ภายในร่างกายของเราพิจารณาไปเรื่อยไม่ต้องมาเป็นกังวลกับสมาธิคือให้ทำงานต่างเวลากัน เวลาทำสมาธิให้สงบเพื่อเป็นที่พักของใจเราก็ให้สงบจริงๆไม่ต้องไปเกี่ยวกับทางด้านปัญญานีเวลาออกจากสมาธิไปแล้วจะทำหน้าที่การงานโดยทางปัญญาเราก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงกับสมาธิให้ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าดำเนินงานด้วยจิตตภาวนาไปอย่างสม่าเสมอ แล้วจากจิตใจของเราก็จะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆก้าวอยู่ภายในใจนี่แหละาพิจารณาร่างกายนี่เอาซะจนกระทั่งร่างกายพอแล้วมันก็ปล่อยเหมือนกันนะเมื่ อ, อยังไม่พอมันก็เพลินในการพิจารณาทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งกฎอันนี้จังทั้งถูกขังทั้งอนาาัตตาทั้งสุภะอาศุภะอาศุพัง มันจะเพลินในการพิจารณาอย่างนี้ไปตลอดเมื่อมันยังไม่พอพิจารณามากเท่าไหร่ยิ่งมีความคล่องแคล่วว่องไวในการพิจารณาจากนั้นแล้วจิตใจก็อิ่มพอกับร่างกายเหล่านี้เมื่อสิ่งเต่วนี้มารวมเข้ามาสู่จิตจิตเป็นผู้กลืนเอาร่างกายนี้ทุกสักทุกส่วนว่าเป็นเราเป็นของเรา หรือว่าสุภะก็ดีอาจุภาก็ดีเป็นเรื่องของจิตใจนี้ไปว่าภาพหลอกตัวเองในความความจริงอันนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุภาหรืออาจูภะมันเป็นเรื่องของจิตใจเราไปเสกสรรปัญญอขึ้นมาแล้วก็หลงกับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเนี่เมื่อพิจารณาหนักเข้าหนักเข้าอารมณ์ทั้งหลายแห่งสุภะและอจภา ในส่วนร่างกายนั้นมันจะค่อยกลมกลืนกันเข้ามาสู่จิตใจใจของเราจะกลืนอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็มาเป็นตัวของใจเสจเองเป็นผู้ตั้งสุภาอสุภาขึ้นมาขั้นเวลา ก, กำหนดแล้วก็ไหลเข้ามาสู่ใจไหลเข้ามาสู่ใจไม่มีอะไรที่ <c oughs> จะเป็นกิเลสมั่นใจต่างหากทั้งเราวาดภาพเป็นสุภะ วาาภาพเป็นอจุปะเพื่อ ถ, ถอนกิเลสก็ตามแต่เวลาอิ่มแล้วมันมันก็เห็นโทษแห่งการว่าภาพของตัวเองว่าออกไปจากจิตนี้ทางนั้นจิตก็กืนเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวพอเข้ามาสู่ตัวแล้วเห็นโทษแห่งจิตที่เป็นผู้ไปอาจไปเอื้อมยิบสิ่งนนั้นเข้ามาหลอกตัวเองจิตก็ปล่อยอันนี้ปล่อยร่างกาย ร่างกายทั้งหลายก็เป็นอีกรักหนึ่งพักหนึ่งตอนหนึ่งไปจิตใจก็เอาร่างกายนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมฝึกซ้อมเท่าไรมันก็ไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราดวงเดียวดวงเดียวแต่ตั้งอะไรขึ้นมาตั้งอยู่ข้างนอกมันก็คลื่นเข้ามาข้างในคือหัวใจนี่แหละตั้งเวลาไหนมันก็คลื่นเข้ามาลื่นเข้ามาสู่หัวใจหัวใจตึงพอกับอารมณ์ภายนอก แต่ต้องอาศัยการฝึกอยู่เสมอโจนกระทั่งสิ่งเอ น, นั้นค่อยจางไปจางไปตั้งขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปที่แรกตั้งขึ้นมาก็าเข้ามาหาใจใจเป็นผู้กลืนเป็นผู้กลืนเป็นผู้กลืนหลังจากนั้นแล้วใจชํานาญมากขึ้นเพราะการฝึกซ้อมอยู่เสมอแล้วจะอารมณ์ของสุภาอะสุภะเหล่านั้นตั้งขึ้นเมื่อไรมันก็ดับขึ้นที่ตั้งนั้นแหละ จิตเพราะมันรู้แล้วว่าจิตเป็นผู้ไปตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นตรงไหนมนาก็าดับไปดับไปสุดท้ายรูปสุภาพอสุภาพทั้งหลายที่เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาของเรามันก็สิ้นไปหมดไปกลายเป็นจิตที่ว่างขึ้นมาภายในใจของเรากาหนดถึงเรื่องเป็นภาพสุภาอรุภาก็เพียงเหมือนกับฟ้าแรกเท่านั้นเอง แล้วดับไปดับไปแล้วติดก็คลายมาเป็นความว่างว่างจากรูปจากกายที่เคยพิจารณามาถึงยังไม่ว่างจากอารมณ์ที่ละเอียดกว่านั้นมันก็ว่างจากส่วนยหยาบคือส่วนร่างกายแล้วพิจารณาเข้ามามันจะรู้เข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆการพริจารณาภาวนา <c oughs> ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณา เรื่องการพิจารณากายกตตาสตินี่เป็นของสําคัญมากทีเดียวเอาให้ดีพิจารณานี้มีความคล่องแคล่วว่องไวเท่าไหร่กิเลสราคาตันหาจะค่อยจางไปจางไปพ้าหนึ่งว่าเป็นอหรหันน้อยน้อยขึ้นมาภายในใจ ท, ทั้งทั้งที่กิเลสก็ยังมีอยู่นั่นแหละนี่เพราะความเด่นแหง่งแห่งความเบาของกิเลสภายในใจ พรัฒนาพิจารณาจำซ้ำสาก ส, า ก, สากติดพันกันอยู่ในนั้น น, ะนี่แหละทางก้าวเดินเพื่อมัคคุนิพานก้าวเดินจากสติปัญญาสี่นี่อริยสัจ ส, สีนี่แหละทางก้าวเดินไปเดินตรงนี้ใครพิจารณาอันนี้ละเอียดจะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก้าวไปได้เร็วต้องเอาอันนี้ให้ชัดเจนก่อนข้างนอกก็ตามข้างไหนก็ตามมันเป็นไปจากใจ ตัวไปสำคัญมั่นหมายนี่แหละเมื่อพิจารณาแล้วใจจะมาเห็นโทษของตัวเองที่ไปมั่นหมายสิ่งก่างๆอย่ายวย้อนกลับมาปล่อยสิ่ง น, นั้นไว้ตามเป็นจริงของเขานั่นนี่เรียกว่าการพิจารณาลู่รอบแล้วปล่อยบางปล่อยบางเป็นลำดับลำาัาขึ้นไปอย่างนั้นก็มีแต่นามาทำร่างกายหมดความหมายพิจารณาไม่ได้แล้วมันบ้างไปหมดร่างไปหมด ก็มีแต่นามาทำคือดีกับทั่วและความสว่างสวัยของจิตพิจารณาดูเรื่องของจิตสว่างสวัยไปไหนก็ให้รู้มันการเกิดการดับแหง่งอารมณ์ภายในใจก็ให้รู้โดยตลอดและหมุนติ้วเข้าสู่ใจจุดหมายอันใหญหลวงจะรวมเข้าที่ใจเข้าที่ใจการว่างก็ว่างอะไรก็ว่างแต่ใจมันยังไม่ว่างมันก็ยังเชิงอยู่กับความว่างของตัวเอง แต่เวลาพิจนารณาแล้วมันรู้รอกขอบคิดกับความว่างภายในทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมันก็เข้ามาว่างภายในใจว่างภายในใจตัวเองคือรู้เท่าทั้งกวามว่างปล่อยวางทั้งความว่างด้วยแล้วนั่นทําเรียวกว่าใจบริสุทธิ์แต่ยังไม่ถึงอันนี้เมื่อไหร่ยังไม่บริสุทธิ์อะไรจะว่างขนาดไหนก็เป็นอาการของจิตที่ไป ทิ่ไปอ่านไปรูปไปเห็นตัวจิตเองยังไม่ว่างจากตัวเองปล่อยอะไรปล่อยได้แล้วแต่จิตยังปล่อยตัวเองไม่ได้พราะไม่เรียกว่าวา่าไม่เรียกว่าวางไม่เรียกว่าบริสุทธิ์เมื่อได้พิจารณาข้างนอกก็รอบขอบอ่านเข้าตั้งไหนพิจารณาตัวเองก็รอบขอบปล่อยข้างนอกแล้วก็ปล่อยข้างในคือตัวเองเสียเองแล้วจากนั้นมันก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> นี่คือผู้ทรงมากทรงผลทรงที่ใจของเรานี่นะไม่จะไปทรงที่ไหนนะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติย <c oughs> ึดยึดหลักทำหลักวินยัยเป็นช้างก้าวเดินอย่าเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าดีกว่าทำกว่าวินยัยแต่เพราะอย่างยิ่งคือพระวินยัยพาการรักษาให้ด้วยไว้ด้วยดีอย่าให้ดางพร้อยขาดตทะลุไปเป็นอันขะ แล้จะเป็นความอบอุ่นในตัวของเราว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี้การพิจารณาอัตชัมทั้งหลายก็ไม่สร้างความกังวลลักแคละลาคายให้ตัวเองว่าศีลไม่บริสุทธิ์เพราะบริสุทธิ์อยู่แล้วใจใจก็ไม่สร้างความกังวล น, นั่นล่ะก็สนุกก้าวเดินทางด้นานพิจารณาเรื่อยๆไป็นผากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะ ไดทรงมรรคผลนิพพานอากาลิโกอาการลิโกทำของขุนเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นก็คือมรรคผลนิพพานเป็นอากาลิโกนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราปฏิบัติเข้าถึงนั่นแล้วมันก็เป็นอากาลิโกขึ้นที่กิิจดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเริ่มต้นตั้งแต่เราก้าวเดินตามธรรมเป็นขั้นขั้ น, ข, น, ข, นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนสร้างถึงขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว ไม่ต้องาหาไขมาเป็นศักขีพยานประกาศป้างขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิธิโกความรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของของตนเองในขั้นสุดยอดแล้วก็หมดปัญหาแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะสันทิธิโกรพระพุองค์ประกาศสอนเองมือ สันติโกได้ประกาศขึ้นภายในใจของเราแล้วเขาจะไปทูลถามว่าเจ้าหาอะไรอืมั้นก็หมดจดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับใจของเราที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะ่ะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องฝ่าต้องฝืนต้องเบึกต้องเบิงนะไม่ฝ่าฝืนเบึกผืนไม่ได้ที่เที่กระแสของมันรุนแรงมากทีเดียว เวลานี้โลกทั้งหลายไม่แต่เรื่องของกิเลสมองไปที่ไหนไปที่ไหนแทบจะดูไม่ได้เลยนี่ในสายตาของธรรมรูกิเลสดูง่ายนิดเดียวเพราะเหตุใดเพราะธรรมที่ในใจเต็มศัดเต็มส่วนแล้วจะสว่างแจ้อยู่ตลอดเวลากิเลสผ่านมานิดหนึ่งจะรู้ทันทีรู้ทันทีไม่มีคำว่าชินกับกิเลสคุ้นกับเลไม่แม่ เมื่อในหัวใจของเรามันก็ไม่มีกิเลสที่จะเข้ามาผ่านแล้วมองไปข้างนอกมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มสัดเต็มบุคคลไม่ได้อยู่ในดินพระอากาศนะกิเลสมันอยู่กับหัวใจสัตว์หัวใจคนนั่นแหละมองไปที่ไหนก็มองดูหัวใจสัตว์หัวใจคนมีแต่กิเลสความโลภ ค, ความทะเยอทะยานก็คือกิเลสความโกรธความทุ้งเฉียวความไม่พอใจก็คือกิเลสพุ่มห่ออยู่ภายในใจ ราคาตันหาก็คือกิเลสมัน ok. ห่อหุ้มอยู่ภายในหัวใจนี่โรคทั้งหลายดีดหนี้ไปตามอาการอันปตามกิเลส ok. ทั้งสามประเภทซึ่งเป็นกองใหญ่ๆนี่แหละความโรค ก, ก็เป็นกิเลสกองใหญ่ความโกรธเป็นกิเลสกองใหญ่ราคะตันหาเป็นกิเลสองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโรคทั้งหลายดิีนไปตามกิเลสสามประเภทนี้ที่มันแสดงลีธิออกมาทางไหน ติด ก, กันทั้งนั้นทั้งนั้นความโลภได้เท่าไรไม่มีคําว่าพอจงกระทั่งวันตายก็ไม่พอเพราะเพ่ไม่เคยพอตัวนอกจากหิวโหยตลอดกว่าต้อนมาให้มันมากเท่าไรก็เท่ากับใสเชื้อไฟเข้าสู่ไฟนั่นแหละได้มากเท่าไรมันเผาแหลกเผาแหลกแล้วสร้างความหิวขึ้นหิวโหยขึ้นมาภายในใจไปตลอดเช่นเดียวกันความโกรธราคะตันหา แบบเดียวกันไม่มีคำว่าพอต้องเลยตัดการขาดสะ บ, บันขาดสะ บ, บั้นไปด้วยการต่อสู้อย่างรุนแรงสิ่งเหล่านี้จะคล้อยตางไปถ้าเราคล้อยตามมันเมื่อไหรนะ่้วเหมือนใสเชื่อไฟเข้าสู่ไฟมันจะแสดงเปลวขึ้นมาทันทีเพราะนันถึงให้ถอยเชื้อออกคืออารมณ์ที่มันจะคิดถึงเรื่องจะสังสมกิเลสเพิ่ม คูเรดขึ้นมาให้ตัดทันทีอย่าไปเสียดายความคิดกับเรื น, นี้ซึ่งเท่ากันกับว่าเราพรากเชื้อไฟออกจากไปแล้วมันจะไม่กำเริบต่บสารแล้วนำธรรมะเข้าไปแทนที่อารมณ์ของใจที่เป็นจิเลตนั้นให้เป็นธรรมขึ้นมาพิจารณาแก้ไขจะแปลงจนเป็นอย่างนี้เสมอทุกลำบากก็ให้ทราบว่าจิเล่ไม่พาใคร ให้รับความสะดวกสบายมีจะพาทุกยิ่งจะไปต่อสู้หรือฆ่ามันแล้วยิ่งเป็นฆาตึกอันใหญ่หลวงเวลามันหนาแน่นอยู่มันก็ต้องเป็นทุก์ในการต่อสู้เอาสู้ก็สู้อย่างนั้นยึงเรียกว่าน่ากรบที่ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะอยู่ที่ไหนก็ให้พากันพิจพิจารณาเรื่องภาวนาที่สําคัญมากสําหรับพระของเราเพศของพระคือเพศของผู้นักภาวนา เป็นผู้สุ ข, ขุมคมภีลาภาเป็นผู้พิณิพิจนาะไม่ใช่เป็นผู้ทวดพลาดท้วงพาดแบบสุขเอาเผาจริง น, น ะ, ะพระเนี่ยยนเข้ามาพระปฏิบัติเป็นความสุขขุมละเอียดมากทีเดียวให้เราปฏิบัติตัวของเราอย่างนี้เอาอดก็ทนก็ทนไม่ต้องถอยเราต้องการทำ อันเลิศโดเลิศเลอซึ่งคุ้มค่ากันกับความทุกข์ที่เราได้สละชีวิตจิตใจกับมันเต็มตัดเต็มส่วนคุ้มค่าเต็มเหนี่ยวเลยนีย่นเมื่อเราได้เห็น <c oughs> มรรคผลอันเลิศเลอภายในใจแล้วเราพิมาพิจารณาถึงการดําเนินของเรามีความทุกข์ยากลําบากกันรานไรเราก็คุ้มค่ากันเลยเกิดความขอใจยินดีภาคภูมิใจในการดําเนินของตนเนี่ มาทํำเยอะๆแย่ๆผลจะไม่ค่อยปรากฏนะเวลาเด็ดให้เด็ดการประกอบความภักเพียเ น, นี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆไม่มีวักไมีตอนไม่มีคลื่นไม่มีสูงมีต่ําเพราะจะฟัดกันเป็นครั้งเป็นขาวนะอย่างนี้จิตใจมันเลื่อนลอยถ้าจิตใจไม่เลื่อนลอยมันจะมีเป็นพักเป็นพักพวนเด็ดเด็ด มันอ่อนก็อ่อนมัน เ, เป็นไปของมันเองเอาควรที่จะเอากันอย่างเต็มเหนียวถึงขั้นเป็นขั้นตายมันจะรู้ในหัวใจของเรานั่นแหละอออกมาแบบไห น, นก็เรากิียดกับธรรมอยู่ด้วยกันมันฟัดกันแบบไหนเราก็รู้อยู่ในหัวใจของเราเอาพอสละสละเลยพอเป็นเอาเป็นพอตายเอาตายงั่นจึงเรียกว่านักสู้ เ, เราจะเอาแต่ความสะดวกสบายนี้เป็นเรื่องของอกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งนั้นแหละ ความสะดวกสบายทางร่างกายมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจะ <c oughs> สู้กับกิเลสทางร่างกิตใจก็ไม่สะดวกสบายเสียไม่สู้มอบให้มันเหยียบเอางั้นเพราะว่าเป็นความนอนใจไปเสียเนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะเป็นความนอนใจสุดท้ายก็เป็นบ่อยของกิเลส ต, ตลอดไปมันเป็นของดีแล้วเหรอนักบวชเราผู้ผู้ผที่ทร้งความมากของผลเป็นอันดับหนึ่งคือนักบวชนั่นแหละ หน้าที่การงานอะไรเราสล ะ, ละไปหมดประชาชนญาติโยมเขาเลี้ยงดูทั้งนั้นการโคกการฉันอาหารมาจากประชาชนที่อยู่ที่อาศัยก็ประชาชนเขาทําให้สร้างให้แง่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับประชาชนหมดแล้วเรามีตั้งแต่อาศัยเขาฉันเขากินไปวันอย่างวันหนึ่งแล้วทําหน้าที่ของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับเราเป็นนักบวช ทำหน้าที่เพื่อมรรคผนิพพานด้วยความไม่ทอแท้ต้องมีความเข้มแข็งบึกปืนตลอดนี่เรียกว่านักบวชลูกพระรูปพระหลานจำเอาให้ดีให้มีความอบอุ่นเรื่องมรรคผลนิพพานกับข้อวัดปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยของตนและความเพียรของตนนี่แหละจะสร้างความอบอุ่นให้เราผู้ปฏิบัติได้รับไปเป็นลหลับลาดาอันแบบ อยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปนั้นอย่าเอามาใช้ในวงของพระเราไม่ใช่ทางอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินบวชมาแล้วก็ดีอกมีใจว่าได้บวชแล้วแล้วความภาพเพลียนเพื่อชําระกิเลสตัวสําคัญที่ฝังตุ่มภายในใจไม่สนใจชําระนี่หลมันเสียต้องตั้งหน้าต่างตาสมภรุงสมเพศสมเพศของเราที่เป็ี่ยนตา แล้วเราจะเย็นในหัวใจของเราไปที่ไหนถ้าจิตใจเราเย็นด้วยธรรมแล้วมันไม่ได้วิตุกมีการกับสิ่งภายนอกภายในอะไรนะคือมันเย็นอยู่ภายในใจตลอดเวลาใครแต่พบกับใครไม่พบกับใครอันนั้นเป็นสิ่งภายนอกสิ่งที่ติดแน่กับตัวของเราคือความสงบเย็นใจความสว่างสวัยความแปลกประหลาดอัศจรรย์มีอยู่นี้ตลอดเวลาจากการบาเพ็ญธรรมมาโดยดลหรับ นะขอให้พาลูกพาหลานถูกพากันสดจำเอาแล้วนำไปบังคับปฏิบัตินะถ้าเวลานี้ก่อนแล้วพูดอย่างคงไปคงมาเลยก็มีวงกรรมฐานเท่านั้นนะพอเป็นเกาะเป็นดอนให้คนเขาประชาชนเลยมีความเคารพริยมใสยเป็นที่อบปุ่งตายใจพอเกาะ พ, พอยืดได้นะเราต้องสร้างเกาะกำบังของเรากับวิลีาดให้ดี เราเป็นที่พึ่งของเราได้มากน้อยก็สามารถจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เท่านั้นแล้วลเท่านั้นแหละต้องทําของเราให้ดีนี่เป็นของสําคัญตรงนี้ผู้พระผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะให้ความโลภเย็นแจ่ตนและผู้อื่นได้ถ้าไม่ปฏิบตัติไม่มีทางเ <c oughs> ยียนมาจนคำภี์แตกมันก็ไม่ได้เรื่องเลยแล้วอนะไรมีแต่ความจำกระนกขุนทองแจ้่เจ้าขาแจ่เจ้าขา พูดแต่เรื่องมรโขนยิพานรั้วโยมปากแต่มรผลนยิพานจริงๆไม่เคยสนใจปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้พระเราทั้งท่านทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันบวชเข้ามาก็มาอาศัยศาสนากินแล้วเรียนวิชาก็เป็นวิชาทางโลกทางลงสารของพิเรศศาสนาเรียนส่วมเรียนสานคือวิชาของพิเรศศาสนาไปเสีย <c oughs> สุดท้ายมันก็ไปไม่รอด โหลดออกไปสึกเอาไปนี่ก็เขาสู้จีเรียไม่ได้เพราะวิ่งตามกิเลียดจะไปสู้มันได้ยังไงเขาวิ่งตามมันอย่ากให้เป็นพวกเราให้ตัง้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่การงานของพระเพื่อมรักผลนิพพานจริงๆอย่าไปยุ่งกับเรื่องวิชาภายนอกจีรชานวิชาเห็นไหมล่ะจีรฐานวิชามันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มว่าอยู่ที่ไหนมีแต่จีรฐานวิชาแต่ก่อน วิชาทางธรรมใครมายุ่งได้เมื่อไรทรรเป็นธรรมโรคเป็นโรคโรคเขาเป็นเรื่องของเขาทำเป็นเรื่องของเราท่านปฏิบัติของท่านไปนอย่างนั้นไม่ก้าวกล่าคะเข้ า, ขากันก็ไม่มีอาารยคน่ามว่าในเวลานี้ไปอย่างไงวิชาทางโลกเต็มอยู่ในวัดในวารเต็มอยู่ในพระในเนรเรียนวิชาธรรมห้กลายการเรียนวิชาธรรมเลยกลายเป็นเสียงเช้าให้กิเลสเหยียบขึ้นไปเสีย เฮียงเฮพอเป็นพิธีความจริงจังอยู่กับการจดจำตามนิชาของกิเลสไปเสียก็เลยกลายเป็นซ่วมเป็นฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพระเต็มเนินเต็มวัดเต็มมาเป็นหมดแล้วพวกเราทั้งหลายไม่ได้คิดกันบ้างเหรอเหตุจากอะไรคือเวลานี้มีชากิเลสท้นั้นเข้าเหยียบย่พาพระเนินในวัดมาต่างๆนานั้นจึงหาความประพฤติ ด, ดีงามที่น่ากราบไหว้บูชาไม่เจอ ไม่มีตั้งแต่เรื่องกิเลสความสกปรกสมมตมเต็มเนื้อเต็มตัวของพระของเนแรแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วใครจะกราบได้ลงคอไม่ว่าเขาว่าเรากราบไม่ได้ทางนั้นแหะถ้าตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วสิ่ ง, งนั้นปัดออกพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วว่าปีละฉ า, าในวิชาก็วิชาของสัตว์โลกข อ, าาของสัตว์ปีละานของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ใช่วิชาเพื่อแก้ทุกข แต่ที่เอกออกจากใจเหมือนวิชาธรรมที่เรียนมาแล้วท่านใจปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษาแล้วเรียนมาีจึงกลายเป็นปริญาตแล้วก็ปฏิบัติปฏิเวทต่อไปได้อันนี้มีแต่การศึกษาเราเรียนจำมาได้เฉยๆพาฏิบัติไม่สนใจจะเอามาเอาผลมาจากที่ไหนเมื่อศาสนาบกพร่องแล้วศาสนาไม่สมบูรณ์ต้องมีปฏิบัติภาคจากปริญาตต้องมีปฏิบัติ ออกจากปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือความคือผลของงานนั้นใข่ไมันก็ต้องได้หรือต้องรู้ต้องเป็นเองขึ้นมานเวลานี้ศาสนามีแต่ความจำนะไม่มีภาคปฏิบัติศาสนาจึงขาดบาดขาดตาเตงไปก็พวกเราผู้นับถือศาสนานี่แหละทาให้ขาดบาดขาดตาเตงไปไม่ใช้ปื่นผู้ใดนะแล้วพวกเราให้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่ออ่ตักตวงอมคลณิพานที่พระเจ้าทรงประกาศ สอนไว้แล้วอยู่นี่สมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่มีอะไรบกบคล้องขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติซ่อมแซมความบกบคล้องขอ ง, งตัวเองตัวไหนตรงไหนให้ซ่อมแซมให้เพอะพูนขึ้นไปด้วยความรู้ษาปัญญาความภาคความเพียรความรอบคอบของเราเราจะเป็นผู้สงรงมรรคทรงผลอยู่ในตัวของเรานี้แหละศาสนาของพุติเจ้านี้เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีศาสนาใดๆจะมาเป็นคู่แข่ง เาะศาสนานี้เท่านั้นที่เป็นศาสนาของคนสิ่งขี้เล็มีแต่พระพุทธเจ้าไม่ว่าพระอริยมัติสรู้เป็นผู้สิ่งขี้เล็ดศาสนานี้จึงเป็นผู้บ้านผู้เมืองผู้โลกคู้สงสารตลอดมาส่วนนอกกันนั้นใครจะเสกว่าเป็นศาสนาอะไรก็ตามมันก็เป็นความจดความจำของขี้เล็ต่างหากลายเป็นวมปากขึ้นมาประกาศที่ไหนก็หลอกรวมกันไปหลอกรวมกันไปแต่เอาศาสนา เป็นเล่าบางหน้าว่าศ า, าสนาศาสนาคือคําสอนแต่มันคําสอนของคนมีกิเลสก็มีคําสอนของผู้สิ่งกิเลสก็มีนี่มันต่างกันจึงยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้นะสาหรับคําสอนผู้เจ้านี้เรียกว่าสวาระธรรมสัดไม่ชอบทุกอย่างแล้วไม่มีผิดมีดทาาเต็มได้เลยขอให้เต็มใจตายใจในการไปพื้นปฏิบัติมาไม่เป็นอื่น การปฏิบัติตารมหลักศาสนธรรมพวกเจ้านั้จะเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลักการแสดงธรรมพอเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาและชาติกันขอให้ลูกท่านพระลูกพระหลานทางหน้าทางตาปฏิบัติให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นที่มงคลแก่ตัวทั่วหน้ากันเอาละพ อ, ะอะ